เพราะว่าภูมิปัญญาศาสนานั้นหลบซ่อนอยู่ภายใต้ภูมิปัญญาของโลกทุกยุคทุกสมัยและครับเพราะว่าปัญญาในทางโลกนั้นมันเอาไปสแสวงหาผลประโยชน์ทางวัตถุได้เห็นได้ง่ายเช่นความฉลีวฉลาดปัญญาที่โลกรู้จักแท้ที่จริงก็คือความรู้เชิงเทคนิคเท่านั้นครับเช่น เราพบนักกฎหมายที่ฉลาดเชี่ยวชาญทำนานในการตีความตัวบทกฎหมายหรือวินิจฉัยอัดเถกดีเราก็จะรู้สึกเลื่อมใสแ ท, ท้จริงไม่มีอะไรพิจารณาพันลึกเลยคือเรียนมากจำได้มากก็วินิจฉัยได้มากเท่านั้นเองแต่ปัญญาในศาสนานั้นนอกเหนือจากเริ่มต้นด้วยสามัญสานึกแล้ว มิติที่ลึกของมันกว้างเหมือนมหาสมุทรไปสู่จากกระบวนการเหตุผลไปสู่สภาวะเหนือเหตุผลนั้นศันธรรมนี้เป็นเรื่องใหญ่มากครับแต่แม้จะเป็นเรื่องใหญ่เพียงใดก็ตามมนุษย์โดยทั่วไปแล้วไม่ว่าเป็นฝรั่งเทศไทยจีนร้วนแล้วตกภายใต้ความมืดสลัวแห่งแดนสนเทยะฉะนั้น แม้แต่หิ่งห้อยตัวเดียวหรือประกายไฟสักนิดเดียวนี้ช่วยได้ครับผมต้องขอแสดงความขอบคุณ่อดนสวายแก้วจมเป็นอย่างมากเพราะผมเองคงเหมือนกับคนหนุ่มสาวเมื่อส0สิปีที่แล้วก็เหมือนคนหนุ่มสาวทั่วไปคือกินเที่ยวเล่นสนุกสนานเฮฮาไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดอะไรมากเรียนหนังสือเพื่อให้ได้ปัญญาได้แล้วก็ไปกอบโกยเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง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 รู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าไม่มีแล้วครั้งอดีตเรามีตลาดนัดสนามหลวงเดี๋นี้ย้ายเจะตุจจักรแต่ตลาดนัดทางภูมิปัญญาไม่มีครับครั้งหนึ่งวัดมาธาตุาเป็นเป็นเสมือนที่ที่เรียกว่าที่สาปามโมก พ, พบกันผมยังจำภาพเหล่านั้นได้ใครก็ได้ที่ต้องการจะแสดงภูมิปัญญาทางศาสนาไปที่นั่น แล้วก็ใต้ล่มมาโศกนั้นจะมีเป็นกลุ่มวางกลุ่มเน้นเฉพาะพระอภิธรรมก็งัดตำลามาเถียงกันผมจำภาพเหล่านั้นได้แม่นยำอาจารย์บางองค์เถียงกับเพื่อนจนน้ำลายขึ้นเป็นฟองที่ปากเลยครับแั่นั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเมื่อเราใช้ภาษาฝรั่งบ้างนะครับเมื่อเราดวลกันทางบัญญานั้นนะครับ เมื่อรูปแบบการต่อสู้เป็นการต่อสู้ทงางภูมปัญญามันลดความรุนแรงในการต่อสู้ถึงเลือดถึงเนื้อได้แต่ก็ไม่แน่สมมอไปนะฮะเถียงไม่รู้เรื่องอาจจะชกกันก็ได้ครับแต่อย ง, งก็ตามวิธีท่งปัญญานั้นต้องถูกรื้ฟื้นขึ้นมาวันนี้ผมเกือบจะไม่ได้มาครับเพราะว่าบังเอิญเป็นช่วงตรงกับท่านเจ้าคุณพระตำมีดกตัวแทนภูมิปัญญาของคุณ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 ในปการนมำหรือมหากราบโบราณนั้นก่อนหน้าที่กระบวนการเหตุผลจะถูกพัฒนาขึ้นนะครับก่อนหน้าที่กระบวนการเหตุผลจะครอบครองบรรยากาศของนักคิดหรือผู้นำทางปัญญามีปการนมำซึ่งเป็นแหล่งเป็นมหาสมุทรของภูมิปัญญาทางศาสนาภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในมหากราบกิลกาเมสนบวาวิเษมาก จรงอยู่นะครับแม้ว่าเราเป็นชาวพุทธเราสแสวงหาปัญญาภายใต้การชี้นําของพระพุทธเจ้าซึ่งเราถือว่าประเสริฐเลิศสุดแต่เราต้องไม่ลืมว่าพระพุทธองค์เองนะครับก็อ้างถึงบุรุษแห่งปัญญาด้วยบางทีท่านเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนและแถมว่าจะมีพระพุทธเจ้ า, า, จ ท, จาที่จะมาตรัสในอนาคตในนั้นเองนะครับ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 ให้เป็นรูปธรรมดังนั้นปฏิมากรสามารถสร้างสัญลักษณ์แทนปัญญาขึ้นมาได้แต่ถ้าเราเห็นพระโพธิสัตที่หน้าผากมีสถูบเราต้องหมายรู้ว่านี่คือพระศรีอารยาเมตรยัยผู้ที่จะมาตรัสในอนาคตสัญลักษณ์อันนี้ถูกสร้างในหลายวรรณกรรมมากครับจนกระท่านกลายเป็นปรัมปราคติในหมู่ชาวพุทธเช่นมีการ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 พุทธศานาที่เรารู้จักว่าเป็นโอวาทปาดิโมงนั้นถ้าจะอ้างถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายพูดอย่างนี้รวมทั้งท่านด้วยพระองค์หนึ่งใช่หไหมฮะจะแสดงหลักว่าพระเจ้าทุกพระองค์กล่าวว่าพระนิพพานเป็นที่สุดเป็นธรรมอันเลิศนี่คือเรียกโ dom การ์ก็ได้นะฮะต่อมาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กล่าวขันติ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 ต้องตกภาดอิทธิพลนึงสิ้นจนโอดิซีต้องเอาสมรีอุดหูเพื่อไม่ให้ได้ยินและให้พรรคพวกล่ามตัวเองติดเพื่อไม่ให้ดิ้นดนไปตามอำนาจของนางปีศาจฟังดูน่ากลัวน่าสนุกด้วยแต่ถ้าเราดูกันในใจอาจจะสนุกกว่าอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับกินกามีสนั้นมีตัวละครอยู่มากเหมือนกันครับเป็นมหากราบของชาวซูเมเรียน ประมาณสี่พันกว่าปีมาแล้วนานมากครับถือว่าชาวซูเมเรียนเป็นชนชาติที่มีภูมิปัญญาชนิดนี้นะฮะแล้วได้สรรสร้างภูมิปัญญาเหล่า น, นั้นออกไปรูปของมหากราบชื่อกินกาเมชกินกาเมชเป็นชื่อของวีรชนในเรื่องพูดเป็นภาษาชาบ้านแปลว่าพระเอกซึ่งหมายถึงอะไรนี่กต็ต้องตีความกันการตีความพุทธศาสนานี่สำคัญมากนะฮะแต่ว่าต้องตีบนรากฐานความจริง ไม่ใช่ตีได้ที่เอาถ้าตีได้ที่เอาเละเลยครับเหมือนใครคนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนเขาตีได้ที่เอาเช่นพอศึกษาพุทธวัตรพระพุทธมารดาที่มายาเขาก็ตีว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมายาอาที่นี่เละแล้วไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีโครงสร้างไม่อานาเข้าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ซ่อนแฝงอยู่ผมจะเล่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์ของกินกาเมสนะฮะเพียงเพื่อเป็นข่าวหอนว่าภูมิปัญญาทางแหล่งอื่นนั้นไม่ได้ด้อยแล้วไม่ได้เป็น สิ่งที่ตรงข้ามกับปรุญญาในพุทธศาสนาเลยแม้พุทธศาสนาจะมีวิธีอธิบายโลกจักรวาลชีวิตสังคมอะไรของชาวพุทธนะครับแต่โดยย่นย่อแล้วผมเชื่อพระเจ้า ต, ต้องการให้เราเพียงรู้จักตัวเองให้ถึงแกนแลวว่าตัวเองนั้นมันมีขนาดสเกล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 แล้วอาตมาวิทยาคมวิทยาถือเป็นหลักที่สำคัญมากพุทธศาสนาถือกำเนิดภายใต้การค้นคิดบนหลักอันนี้ครับแม้ว่าท้ายที่สุดพุะเจ้าจะออกมาปฏิเสธทั้งโครงสร้างชุมชนที่เป็นระบบวันนะกดขีกันอยู่โดยพวกครามเป็นหัวเรือและปฏิเสธเรื่องว่าตัวตนนั้นที่จริงเป็นสภาพเป็นอนัตตาดังนั้นเป็นการรับเชิญปฏิเสธไม่ใช่โค่นล้มทั้งหมดถือว่า ความรู้จักตัวเองจริงๆคือรู้จักว่าตัวเองสัมพันธ์อยู่กับสรรพสิ่งอิงกันกําเนิดอยู่อย่างไรที่เรียก่อิทัิปัจยาตานั่นเองครับเหมือนนั้นพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์นั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นปรปับปากันนะมีคนเข้าใจผิดเป็นจำนวนมากทีเดียวที่จริงเป็นปฏิสัมพันธ์กันอยู่บางส่วนท่านรับบางส่วนท่านวมเสษส่วนที่ไม่จริงนั่นวมเศษสิ่งไหนที่เขาพูดไว้ดีแล้วท่านรับนะเช่นอหิงสาประโมธมโมเอสะอะไรผมจําบาลีไม่ได้นะ อหิงสาประโมธโมก็อหิงสาเป็นบรมธรรมเอสสะธโมสนันตโนคระะับนี้เป็นคําเก่าเป็นธรรมเก่านะวะเขาพูดกันไว้แล้วบางทีเรียกปบราณธรรมท่านยอมรับนี่นะครับผมจะลองเล่าดูนะครับผมไม่ใช่นักเล่านิทานที่ดีนะแต่ว่าต้องการจะเล่าเพราะแก่นซึ่งซึ่งเป็นเหมือนรหัสรหัสสนัยญะที่สัมพันธ์กับภูมิปัญญาชั้นสูงที่สะท้อนออก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 ขนยานที่บ้านเรานี้นะว่าไปแล้วคือการเข้าให้ถึงชีวิตค้นให้พบตัวเองสัมผัสให้ถึงทุกอนุของชีวิตครอบครองพื้นที่ชีวิตทุกๆตารางนิ้วไหได้ดูจะเป็นคำพูดซึ่งคุกคามหรือเปล่าครับแต่ลองฟังจากพระสื่อว่าวันหนึ่งเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งพาผู้หญิงที่เขารักใคร่ชอบพอไปเที่ยวเล่นในปาร์ก แล้วสตรีนางหนึ่งขโมยเครื่องประดับและเสื้อผ้าที่มีค่าหนีไปหัวหน้าเด็กหนุ่มคนนั้นก็ตามหาเจอพู้เจ้านั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้ก็เข้าไปถามว่าท่านเห็นสตรีผ่านท้งนี้หรือเปล่าพู้เจ้าทรงจัดเพื่อให้เป็นประโยชน์กับเด็กหนุ่ม น, นั้นว่าเธอจะหาหญิงหรือหาตัวเองดีแค่แคายตัวเองหายายังไม่รู้เที่ยวหาผู้หญิงอยู่ได้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 แต่จริงๆก็มีเท่านั้นจริงๆครับเราไม่มีอะไรเลยเนอกจากเมื่อฆ่ากิเลสตัณหาตายแล้วเราก็ครอบครองบ้านเมืองคือชีวิตแล้วก็เกิดสันติสุขชาร์ดกทุกเรื่องต้องเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกันทีเดียวปกย่อยมีแตกต่างบ้างในกินกาเมสนั้นจะมีตัวละครอยู่สองตัวครับที่ผมจําได้นะที่จริงเรื่องมันกว้างใหญ่ไปศาลและไม่ได้อ่านต้นฉบับเพาหายากเต็มทีอ่านแต่ข้อวิจารณ์ ปลายหลายที่นะครับเอ็นกิโดนเป็นตัวหนึ่งซึ่งหัวเป็นวัวซึ่งผมเชื่อนี้เองเป็นรากฐานของเทพชั่วร้ายของของอียิปต์ที่เรียกมีนาทัวเทพเจ้าหัวงวูนะครับซึ่งต่อมาปิกัโซศิลปินที่ลือลั่นมากชอบแทนตัวเองเป็นมีนาทัวเขาบอกว่าเขาเป็นเทพผู้ชั่วร้ายเพื่อแดกดันประชดดันพวกที่คิดตัวเองเป็นสาวกพระเจ้าเขากระทบหนึ่งนะครับ เอ็นคิด <K id> นี่เป็นเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสัตว์ป่าในตัวเราคว า, นะความมีอินสติ้งขอโทษนะความมีสัญชาตญาณยิ่งสัตว์มนุษย์เราตาดำๆเนี้ยนะหน้าซื่อๆผูก넥ไทเนี่ยพร้อมที่เป็นสัตว์ได้ทุกเมื่อเลยครับเพราะถ้าเขาถูกควบคุมโดยสัญชาตญาณแต่ว่าโดยข้อที่จรงิงมนุษย์ิงสัญชาตญาณ น, น้อยลงิงปัญญาสูงขึ้นนะฮะแต่ใช่ว่าสัญชาตญาณจะหายไป ในพุทธศาสนาถือว่าความเป็นไปได้ที่เรียกว่าฐานะนี่นะฮะจนต่ํากับพระโสดาบันอาจจะกลงชีวิตมารดาเมื่อไหร่ก็ได้ข่าพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเป็นโสดา ข, ขึ้นขึ้นบนแล้วนี่นะอยู่ในฐานะที่เรียกอฐานะคือเป็นไปไม่ได้เพราะได้ก้าวข้ามสัญชาตญาณที่เรียกโคตรภูข้ามโคตรของว่ามเป็นมนุษย์นี่นไปสู่อริยโคตรคือเปลี่ยนโคตรไปเลยครับ พระเจ้าท่านอธิบายตัวท่านว่าท่านไม่ใช่โคดของเมืองกบลิลพั์อีกท่านเป็นอริยวงศ์คือวงของพระบุคคลเมื่อพ่อไปห้ามปรามเมื่อสมัยกลับไปเยือนกบลิลพั์และทนองบินบาบซึ่งวัฒธรรมเ่องนั้นอาจจะพระเจ้าสุโธนะรู้สึกขายที่หน้ามากเพราะตัวเองเป็นราชาของแคฟนนั้นแล้วก็ลูกตัวเองแท้แท้ซึ่งจะสืบทอดอำนาจรัฐ ด, ดันไปขอทานเขา ทนไม่ไหวไปตะเตือนห้ามรามบอกให้ไปกินที่วังเจ้า บ, บอกท่านไม่ใช่โคดนี้ท่านเป็นอริยโคดอริยวงนั่นคือเอ็นกิดูครับสัญชาติญาณยิ่งสัตว์ที่แฝงเร้นอยู่เขาทำเป็นตัวละครออกมาแต่จริงๆมันทำไม่ได้มันซ่อนตัวอยู่อีกตัวหนึ่งคืออิตานา้าตัวนี้ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายบวกคือความเป็นความเทีทยานในทางสูงความฝ่รู้ในทางสูงนะฮะ แล้วดูเมืนทั้งคู่เนี้ยถูกพยาเดียว์และพยาเดียวตัวนี้นะครับที่จริงเป็นปฐมฐานของการสร้างสัญลักษณ์ในทางศาสนธรรมเป็นพยาครุษครับซึ่งเดี๋ยวนี้เรากราบตรางราสมณ์ก็ลาชบณ์ลังครุษพาหะของนารายนะครับของพระเจ้ า, าผู้ที่เหินไปในท้องฟ้าไม่มีตัวตนแด่เหินไปได้ฟังด้วยระวังไอเดียเดี๋ยวสับสนมานะเราไปลรามา เมื่อพระญาเดี่ยวได้พาอิตาน่านะครับขึ้นไปสู่ท้องฟ้าพญาเดี่ยก็ถามว่าขณะนี้เจ้าเห็นโลกเป็นอย่างไรบ้างอิตานาบอกว่าเห็นโลกเดี๋ยวนี้คนก็ไม่มีเมืองก็มองไม่เห็นเห็นเนี่ยคล้ายๆเขียวๆอยู่กลางน้ำเพอาะทีแรกอิตาน่าขอร้องให้พญาเดี่ยวนี้ยพาเข้าไปสู่สวงสวรรค์แต่พระญาเดี่ยวซึ่งเป็นไส้ลักของยาน อยานพิเศษก็ถามว่าเดี๋ยวนี้เจ้าเห็นนั้นโลกเป็นอย่างไรเมื่ อ, อยุตา น, น่ารายงานที่นั้นยิวก็บินสูงขึ้นอีกครับไกลจากโลกขึ้นอีกใกล้สวรรค์ขึ้นอีกพอถึงชุดหนึ่งก็ถามอีกว่าขณะนี้เจ้าเห็นหยิวเออเจ้าเห็นโลกเป็นอย่างไรว่าเดี๋ยวนี้ผมเห็นเป็นจุดพญายเยือก็บินสูงขึ้นอีกครับพอถึงชุดหนึ่งก็ถามอีกทีนี้ อิทนามกลัวเพราะไม่เห็นอะไรเลยยิ่งใกล้สวรรค์ยิ่งไม่มีอะไรเลยครับกลัวบอกเอ๊ะผมเริ่มเห็นรั้วบ้านแล้วก็เห็นขนมปังบนโต๊ะอาหารคือเริ่มคิดถึงบ้านนั่นเองครับในสุดอิานาวขอร้องพยาเยี่ย ว, ว่ากลับบ้านดีกว่าผมไม่อยากไปเลยสวรรค์ไม่เห็นมีอะไรเลยกลับเป็นคนธรรมดาดีกว่าครับผมอะไรผมชอบมากครับความทยอทยานของมนุษย์เรานะครับ ที่จะหนีสัญชาตญาณหนึ่งตเพื่อเป็นเทพเจดดาเพื่อเข้าสู่ทินบรมสุขนั้นเป็นปฏิกิยาในตัวเองแต่ในที่สุดประสบการณ์ในชีวิตจะสอนว่าชีวิตยิ่งคนธรรมดาสามัญ น, นั้นดีที่สุดนะที่ต่อมาเรื่องนี้อันนี้ผมไม่ได้มีหลักฐานี่สุดแต่ผมเชื่อว่าให้อิทธิพลต่ อ, อประการนมของกรีกที่เรื่องที่เรารู้จักว่าอีคารุ ที่มีพ่อกับลูกเอาคีดพึ่งติดปีกที่จะบินไปหาดวงอาทิตย์แห่งความจริงนะครับที่พาใกล้ดวงอาทิตย์เท่าไร่แสงแดดร้อนก็เผาจนขี้พึ่งละลายปีกก็หลุดตกลงมาในทะเลซึ่งแท้ที่จริงเป็นใบหน้าของเขาเองถ้าอ่านและสังเกตให้ดีจะรู้สึกพึงใจนะครับพึงใจตรงสั ญ, ญลักษณ์เหล่านี้มันแปลกตรงทว่า ผู้รจนาผู้สร้างสิ่งเหล่านี้นั้นต้องการจะบอกอะไรบางอย่างกับเราว่าคุณจะหนีตัวคุณเองไม่ได้ความทะเยอทยานฝ่ายฝันที่จะบรรลุธรรมอาจจะเป็นถูกสิ่งหลอกลวงก็ได้ศา ส, สดราจรุ่งหนึ่งชื่อโซโรแอสเตอร์ของเผ่าป่าซีือเปเชียนครัเมื่อสมัยที่ออกแสวงบุญใหม่ๆก็เบื่อโลกเบื่อสังคมมนุษย์เกลียดมนุษย์มากเดินทางเข้าไปในป่า ภูขเขาซึ่งไม่มีมนุษย์เลยในท่องกลางทางก็เจอกับเทวดานะครับตนหนึ่งเทพวดีเทว ด, ดาตนนั้นถามว่าท่านกำลังจะไปไหนสโลแอสเตอร์หรือชื่อหนึ่งชื่อสลาทุสตราครับบอกว่าข้าพเจ้าเบือ่อมนุษย์เบื่อสังคมเบือ่อลูกเบือ่อมันเบือ่อทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะปฏิบัติต้นใ้พ้นจากโลกสิบห้าปีหลังจากเตียนโทนาอยู่ ก็เดินทางกลับเข้าเมืองเจอเทพบดีคนเก่าองค์เก่าเทพอ์นั้นถามว่าอ้าวสิบห้าปีที่แล้วท่านบอกท่านเบือ่อท่านขคมมนุษย์เกลียดมนุษย์แล้วเดี๋ยวนี้ทำไมจะกลับเมืองล่ะท่านตอบสงบงเสงี่ยมว่าเดี๋ยวนี้ฉันรักมนุษย์รักความเป็นมนุษย์ตรงนี้อาจจะเป็นหัสที่ถามตัวเราได้นะครับว่า ศา ส, สนาธรรมทำให้เราซาบซึ้งในความเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญหรือเปล่าหรือทำให้เราหลงไ ข, ขว้ขว้าอภิมนุษย์ผมยอมรับว่าเมื่อสมัยที่ผมออกบทหรือสแสวงหาอะไรนี่นจินตนาการไปรวมศูนย์อย่างความเป็นอรหรันต์เลยเพื่อภาษาจีบ้างกูต้องเป็นอรหันต์ให้ได้นี่เป็นกลลวงที่แสบเผ็ดที่สุดครับ โดยไม่แยแสว่าคุณธรรมที่ทำว่าเป็นอารหารนั้นคืออะไรกันแน่นะแท้ที่จริงนั้นความเป็นมนุษย์ของเรานั่นเองครับคือสมดุลของธรรมชาติอันนี้ผมต้องทบทวนไปสู่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขันห้าซึ่งถือว่าเป็นหลักแห่งยานวิทยาในพุธทธศาสนาคือแหล่งที่เกิดของยานปัญญาที่ว่าขันห้าเป็นริงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตานะ โดยทั่วไปเหมือนผมเคยพูดบ่อยครั้งนะที่ห้องจุงนี้ว่ารูปขันมักจะเข้าใจแคบลงเป็นร่างกาย